อตีิตะปจเวคณะปาทะฉะมยังอตีติตะปจเวคณปาทังปนามาเซอาชมยัญญอปจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังจีวรใดทันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ ตังยาวเทวาสิตาสปติคาตาญาจีวนาเรานุ่งผมแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสปติคาตาญาเพื่อบำบัดความร้อนรังสมกัสวาตาตปสิริงสปสัมภัสานาปติคาตาญา เพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเลือโยมลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งหลา ย, ยาวะเทวะฮิริโกปินปฏิชาธนาทางและเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอาย อา จ, จมายาป จ, จเวกิตวายโยปินปาตโตปริพุโตบินนาบาไดอาเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โซโนวทวายาบินานาบัตนาเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน นามธายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันดนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดาบนามิภูสนาญาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวิมัสกายาสติติยา แต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปัายะเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปรารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพระมจริยานุคหายเพื่ออนุเคราห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์ อิติภุรานันเวทนาปฏิหัง้ามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความเหเวนาวันเวทนาอุปาเทสมิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น ยาตราจังเมภวิสติอนวัช ต, ตาจภาสวิหโรจาติอันหนึง่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยภาสุกด้วยจักมีแก่เราดังนี้ อาชมยยอาปัจเวคิตวายังเซนาสนังบริพุตังเซนาสนะใดาอันเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตาสาปฏิคาตายาเซนาสน า, นานเราใช้สอยแล้ว เพื่อบำบัดความหนาวอุนหั ส, สปฏิคาตาญาเพื่อบำบัดความร้อนลังสมัสะวาตาตาปสิเริงสะปสัมปสานังปฏิคาตาญาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเลือบมลมลมแดดและสัตว์เลื้อยคานทั้งลหลาย ยาวะเทวะอุตตปาเรสายวิ น, นุทนางปฏิสันลานารามาเถรเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่หลีเพรนสำหรับภาวนา อาชมัยาปัจเจเวคิตวายโยคิลานปัจจจาเภสัจจะบริขาโรปริพุโตะคิลานเภสัจบริขานใดอันเราบริโพกแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้สโสยาวาเทวาอุปันนานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตาายา ขีลานะเพสัตบริขารานเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกเขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาต่างๆเป็นมูลอาภยาปั ช, ชาปรมตายาติเพื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้